ตอนสุขที่ไม่ต้องสร้างวันที่28สิดสิงหาคม2559กหราบก้า น, นสักการพระคุณเจ้าสา ม, มเณรคุณไม่ชีแต่ละมิตรทุกท่าน<ม>ก็นั่งสบายสบายเนาะเป็นปกติทุกคืนวันอาทิตย์นะก็วันนี้มีสองสามคำถามธรรมดาพวกครูเริ่มแรก ก่อนเข้าพรรษาตั้งใจว่าพรรษานี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพระอรหันต์กันพอเรียนรู้ไปสามสี่พระองค์ก็คิด พ, พอแล้วมันเหมือนกันหมดพูดถึงเรื่องอดีตแล้วก็ชาติสุดท้ายแล้วก็บรรลุธรรมแตกต่างกันว่าอดีตกรรมทั้งกรรมกุศลแล้วก็ฝ่ายกุศลสร้างไว้เหมือนกันส่งผลให้เกิดมาเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกัน แล้วก็การบรรลุธรรมไม่เหมือนกันแค่นี้ก็พอให้เราเข้าใจเรื่องนาน า, น า, นานจิตตังนะมันไม่ใช่สูตรสำเร็จว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนกันก็ก่อนที่จะเข้าถึงคำถามนะก็ขอเกินนะออโดยเฉพาะการใช้ชีวิตที่ศูนย์โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษานะทำไมต้องมีการเข้าพรรษาถ้าทุกคนมาวันเข้าพรรษาพวกครูก็เกินหน่อยหนึ่ง เนะพราะพุทธองค์เนี่ยป้องกันไม่ให้เราเดินทางออกไปมันเป็นฤดูพ่อปูกเขาไม่ต้องไปรบกวนชาวบ้านทีนี้ยุคนี้มันมีถนนหนทางแล้วละ่ะแต่ว่าในยะก็เหมือนกันว่าหนึ่งให้เราคุมกิเลสตัวเองนะไม่จำเป็นก็คยกว่าจำปัญษานะ การฝึกจิตเนี่ยบางบางหน่วยบางสายงานบางองค์กรนะนะเราไปฝึกจิตเจวันสิบห้าวันเขาไม่ต้องการให้เราทำอย่างอื่นเลยไม่กระทั่งซักผ้านำมาให้มันครบนะมุ่งบ้านปฏิบัติอย่างเดียวแล้วบางแห่งก็ปิดวาจาด้วยไม่ต้องพูดด้วยนะจะได้อยู่กับตัวเองตลอดแต่เนื่องจากศูนย์เราไม่มีกติกานะพ่อครูปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติ แต่ธรรมชาติของมนุษย์ต้องมีสํานึกนะธรรมชาติของสัตว์ก็อีกระดับหนึ่งเดลฉานเปตสุรกายก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์แล้วเฉพาะมนุษย์ขึ้นชื่อว่าผู้กําลังบําเพ็ญเพียรนะก็ต้องมีธรรมชาติมีสํานึกระดับหนึ่งธรรมชาติของภาริยะก็อีกแบบหนึ่งนะก็ให้ทุกคนเนี่ยฝืนกินเลสตัวเองหน่อยหนึ่งถือโอกาสการเข้าพรรษาเนี่ยเหมือนว่า เห up, amount, water, ็นไหมบางคนเข้าพรรษาเลิกเหล้าบางคนเข้าพรรษาเลิกกินขนมบางคนเข้าบรรษาไม่ออกไปข้างนอกเพราะจิตชั้นออกไปเรื่อยๆนะนิดนึงก็อ้างเหตุออกไปเนี่ยไอ้นี่พราะครูเตือนนะถ้าไม่พร้อมก็อยู่ที่บ้านมาที่นี่แล้วต้องฝืนกิเลสตัวเองไม่ใช่อ้างวนอันนี้นิดหนึ่งก็วิ่งเข้าวิ่งออกนะจิตมันส่งออกไอ้ที่ฝึกมาทั้งหมดเนี่ยมันหายเลย นะเป่าลูกโปง่งกําลังขึ้นมาตัวเองเจาะมันต้องระเบิดก็มานั่งเป่าใหม่อีกนะนะก็ฝืนเกยตัวเองหน่อยหนึ่งนะไม่จําเป็นจะออกไปนะถ้าออกไปแล้วก็ยังไม่จําเป็นจะพึ่งเข้ามายังไม่พร้อมอยจะพึ่งเข้ามาเข้ามาแล้วต้องพร้อมนะแล้วเฉพาะเราต้องช่วยดูแลสถานทีท่ทุกวันนี้ถ้าทุกคนต่างคนต่างทําแบบนั้นมันก็กลายเป็นตลาดนัดวิชานะที่นี่พระครูไม่ได้สอนอะไร นะวิ่งเข้าวิ่งออกที่นี่เรามาคําว่าบําเพ็ญเพียรมันต้องฝืนกิเลสนะอันนี้เกินเกิดนให้ฟังนะเพราะกิเลสมันอ้างอยู่เลยไม่ต้องห่วงหรอกเออไปซื้อน่อนเดี๋ยวไปซื้อนี่นะอันนี้มันก็อ้างของมันแต่เราต้องรู้เท่าทันมันนะอันนี้เราไม่รู้เท่าทันมันเราทําตามมันเลยไม่ควรนะทีนี้ก็มีนิดหนึ่ง เนื่องจากรงมีเด็กๆทั้งสามเณรคุณแม่ชีมาเรียนที่นี่ความเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นนะเพราะการเมืองมันเปลี่ยนทุกอย่างนโยบายก็เปลี่ยนคือการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยปีหกหนะึ่งะจะเป็นการสอบเอ็นทานครั้งเดียวไอ้เรื่องรับตรงๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วเห็นหมเราต้องปรับตัวนะต้องปรับตัวอันนี้ ก็ไม่รู้จะหลงเออยังไงแต่ว่านโยบายมันออกมาอย่างนี้แหละเราก็ต้องรู้เท่าคันความเปลี่ยนแปลงเราเป็นนักเรียนถ้าเราไม่เตรียมตัวก่อนนี่เราก็เป็นเขาเรียกว่ารถไฟที่ไม่ทันคนอื่นจริงๆแล้วถ้าพ่อครูเลือกได้เราไม่ต้องเรียนหรอกลูกไร้สาระแต่พ่อครูเลือกไม่ได้พ่อแม่เรายังมีอนาคตอยู่แล้วทุกคนต้องอยู่ในสังคมนี้เราเดินสายกลางนะเมื่อเมื่อเดินแล้วเนี่ย ไปสอบไปประเมินวิชาการอะไรถ้าพวกครูเลือกได้พวกครูไม่ชอบอี่เหมือนกันแต่พวกครูเลือกไม่ได้พวกครูรุ้นในที่กำลังจะเข้ามาหาวิทยลัยปีนี้ก็ของเรามีสามคนเขาเขาประเมินเขาประเมินวิชาการถ้าเราไม่เรียนมันก็เข้าไปไม่ได้แต่พอเข้าไปปุ๊บพวกครูบอกทุกคนอย่าเครียดนะแค่แค่ตอนเข้าเนี่ยมันประเมินส่วนมากกับประเมินคนเก่งวิชาการกว่ากัน แล้วคนมันไม่เก่งมันไ ม, ไม่ไม่ใช่มนุษย์เหรอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนเก่งจริงๆไม่ต้องเรียนหรอกเอาคนไม่เก่งไปเรียนมันจะได้เป็นคนที่รู้เท่าทันโลกตอนนี้มันตลปัดแต่ที่นี่เราเลือกไม่ได้นะพวกเราต้องอยู่กับโลกนี้ต่อไปก็เดินสายกลางนะก็มีคำหนึ่งที่กขาบอกศีลเป็นข้อห้ามทำเป็นข้อปฏิบัตินะ กฎหมายเป็นข้อห้ามนโยบายเป็นข้อปฏิบัติตอนนี้เขาเปลี่ยนนโยบายใหม่นะเด็กเป็นเหยือ่อคนนั้นมาก็เปลี่ยนทีนั้นก็นี่มาเปลี่ยนทีกระทรวงศึกษาไม่ได้อยู่นิ่งเลยนะรุ่มรุมดอนดอนยิ่งแก้ก็วุ่นวายไปหมดนะพี่องว่าเราไม่มีทางเลือกเพราะเราอยู่ในเกมนี้นะคือนโยบายจึงสำคัญกว่ากฎหมายกฎหมายไม่ทันสมัยก็แค่แก้ไขได้นะ รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันศีลเป็นข้อห้ามทำเป็นข้อปฏิบัติทำย่องอยู่เหนือศีลแต่ไม่ใช่เราละเลยศีลแต่ถ้าเราไปเค่งศีลจนให้ทุกคนเครียดหมดเนี่ยเราหลงศีลแล้วศีลคือความปกติของจิตนะก็ให้เด็กๆเตรียมตัวนะยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เตรียมตัวให้เราอยู่กับสังคมนี้ได้จริงๆแล้วไม่ต้องไปแข่งอะไรกันมากขอให้เราทํา รอดได้มันยากตอนที่ว่าเขาประเมินว่าใครจะได้เรียนต่อมหมายวลัยนะไม่ใช่เอาคนดีนะเขาเอาคนเก่งวิชาการเท่านั้นเองเขาไม่ได้ประเมินว่าใครดีนะแต่เราอยู่ในเกมนั้นถ้าเราอยากจยากไปต่อนอกจากเราปฏิเราบอกไม่เอาละฉันจะยึดอาชีพนักบวชต่อไปอันนี้สบายตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องไปทุกข์กับมันแต่ถ้าเรายังเดินต่อไปอยู่เนี่ยเราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงให้เตรียมพร้อม คำถามนะเมื่อเฝ้ามองอยู่กับตัวเองจนเกิดความว่างเหมือนกายไม่มีเบาไปหมดความว่างนี้เรียกว่าสภาวะหรือว่างจากตัวตนครับเป็นสภาวะทรรอย่างหนึ่งนะการอยู่กับตัวเองแล้วเกิดไอ้ว่างตัวนี้เกิดจากเวลานี้เราวางมันนะเราไม่สนใจมัน มันเราอยู่กับปัจจุบันเนี่เราไม่สนใจความคิดไม่สนใจอารมณ์นะไม่ใช่อารมณ์มันไม่มีนะนะเระวางมันแล้วก็เกิดความว่างชั่วคราวมันเป็นสภาวะธรรมการอยู่กับตัวเองแล้วเกิดความคิดวนเวียนในจิตพอเผลอมันก็กลับมาอีกแสดงว่าขาดสติชั่วคราวใช่ไหมคะก็ไม่ต้องแรงขนาดนั้นว่าขาดสติหรือไม่ขาดสติหรอกบางช่วงมันก็เผลอนะ สติเรามีอยู่แต่เวลานั้นบางทีอารมณ์มันแรงกว่านะเราก็ไม่ทันมันชั่วข่าวรู้ปุ๊บก็ดึงมาอยู่ปัจจุบันนะข้างในมันทุกข์ข้างนอกมันเบื่อมากเป็นนิิพานลมหรือเปล่าคะก็ถูกละความเบื่อเนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็ทำให้เรารู้สึกทุกข์นะ ความเบื่อนี่คือผลที่เราเจริญทุกวันเนี่ยมันคือผลของวิปัสสนามันเป็นนิทิปาลุมแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันปุ๊บเนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่ความทุกข์จริงๆแล้วความเบื่อมันแปลว่าเบื่อมันไม่ได้แปลว่าทุกข์นะเนื่องจากเราไม่ชอบเบื่อเราก็เลยทุกข์ความเบื่อมีประโยชน์มากทําให้เราจางคลายความยึดมั่นถือมั่นกับชีวิตที่เราหลงสุดท้ายมันเบื่อมากๆมันก็ไม่อยากเกิดอีกแล้ว มันก็มีศรัทธาตั้งมั่นเพื่อปลดปล่อยตัวเองนะความเบื่อไม่ได้ไปว่าทุกนะความเบื่อไปว่าเบื่อแต่ที่เราทุกเพราะว่าเราไม่อยากเบื่อนะก็คำถามต่อไปความฉลาดที่แท้จริงเป็นอย่างไรความฉลาดที่แท้จริงเป็นอย่างไรความฉลาดซึ่งประกอบด้วยกิเลสเรียกว่าในบาลีเขาเรียกว่าเฉโก นะฉลาดเหมือนฉลาดแกมโกงม่ะฉลาดที่จะได้เปรียบฉลาดที่จะเอาชนะนะเออฉลาดคือฉลาดตามกิเลสเรียกว่าเฉโกเป็นความฉลาดทางโลกิยะตอนนี้เรียนสูงๆเราจบเก่งๆแล้วแล้วก็วิชานั้นนะ่ะมาเล่นงานคนอื่นเพิ่มอาวุธทางปัญญาเพื่อจะเอาอชนะเขาอันนี้คือฉลาดแบบเฉโกนะแล้วมันไม่ดียังไงตกนรก มันจะดีได้ยังไงเนาะส่วนส่วนความฉลาดซึ่งเกิดจากปัญญาของโลกุตตะคือรู้เท่าทันอยนายตนะหกนะถ้าคนรู้เท่าทันอยนายตนะนะเอ่อตามองเห็นรูป ก, ก็สักแต่ว่ารู้นะหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินจมูกได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นนะลิ้มลิ้มรสก็สักแต่ว่าลิ้มรสกายกระทบภาษาก็สักแต่ว่ากระทบ ถ้าจบแค่นั้นน่ตัดวงจรของขันห้าลูกเกิดมันก็ดับลูกเกิดมันก็ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปรุงต่อไม่ได้เห็นไหมขันห้าปรุงต่อไม่ได้วัตตะปฏิส ม, มุติบาทก็ขับเคลื่อนไม่ได้วัตตสงสารก็หยุดอันนี้คือความฉลาดแบบโลกุตละเรียกว่าปัญญาส่วนฉลาดที่แฝงไวกิเลสอันนั้นฉลาดจาก วิชาความรู้ที่เราเรียนมามันเป็นแค่องค์ความรู้ไม่ใช่ปัญญานะก็แยกเป็นสองอย่างใหญ่หญๆนี้นั่นแหละหรือว่าเราจะเลือกเอาฉลาดแบบไหนนะเราจะเดินไปสู่นิพพานไปสู่สวรรค์หรือไปสู่นรกเป็นสิทธิของเราเราจะเลือกได้นะทุกคนอ้างสิทธินะเราก็เลือกเป็นชีวิตเราเป็นสิทธิเราจะเลือกเดินทางไหนนะอดีตกรรมมันผ่านไปแล้วละ่ะเราหนีมันไม่พ้นยอมรับมันอย่างเดียว อ่าถ้ายอมรับมันรู้เท่าทันมันมันก็กระทบไม่กระเทือนผ่อนหนักเป็นเบาเพราะเราหนีกรรมไม่พน้นแต่ปัจจุบันกรรมเราเลือกได้นะเราเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปอยู่ที่เรานะเป็นสิทธิอัยตนะนี้สําคัญมากนะมีหลายปีก่อนบังเอิญพระครูไม่อยู่มีครูบาอาจารย์มา จ, จากกรุงเทพเดินทางมา มาปุ๊บปบอกเขได้ยินข่าวที่นี่เขามาเตือนคนที่นี่บอกระวังนะอยนายตนะไปยุ่งกับมันมันเป็นของหนักนะเขาคิดว่าที่นี่เรามายุ่งกับอยายตนะนะเป็นของหนักปุ๊บอย่าไปยุ่งกับมันหนีมันก็เลยไม่รู้เท่าทันมันนะเรามารู้เท่าทันอยนายตนะก็เนื่องจากว่ามันเป็นต้นเหตุทั้งหมดนะเป็นต้นเหตุของทั้งหมดที่ทําให้เราเกิดขันห้ามันปรุงแต่ง นะถ้าเรารู้เท่าทันมันปุ๊บเนี่ยเนี่ยที่เราฝึกทุกวันเนี่ยสักแต่วรู้สักแต่วเห็นสักแต่วได้ยินสักแต่ริรถถ้าเราทาบ่อย ๆ, ๆปุ๊บเนี่ยแม้กระทั่งเ้าด่าเราเนี่ยกระทบหูปึ้งจบไม่รู้สึกอะไรเลยกระทบหูไม่กระเทือนใจเนเรารู้เท่าทันในจตนาะขันห้าปรุงแต่งไม่ได้นะใครก็ทำให้เราเกิดเวทนาไม่ได้ใครก็ทำให้เราทุกข์ไม่ได้ แต่คนไม่รู้ไม่รู้แต่ว่านังสือบอกว่าอายตนะมันเป็นของหนักอะไรก็ใช่ไงก็ไอ้ตัวนี้มันคือต้อนเหตุทำให้เราเกิดทุกทุกวันนี้เรารู้เท่าทันมันเราอยู่กับมันไม่ใช่หนีมันนะเรียนรู้กับมันความฉลาดซึ่งเป็นเฉโกนั้นทาให้แข็งทื่อไม่มีปฏิโลมอนุโลม เพราะขาดเมตตาเพราะถูกความโลภโกรธหลงครอบงำท่านเป็นใครเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ตัวใหญ่เบลเลอร์นะแข็งทื่อนต้องวางฟรอมนะทุกอย่างก็อ้างระเบียบกฎหมายอะไรก็ช่างนะเลยไม่มีอนุโลมหรือปฏิโลมไม่ยืดหยุ่นแข็งทื่อเพราะว่าขาดเมตตาเพราะไปหลงใน ความรู้ผิดตรงนั้นนะความฉลาดแบบภาษาบาลีนะฉลายตนะฉ ล, ลายตนะซึ่งเป็นปัญญาของโลกุตละนั้นเราจะรู้ว่าขี่โลกขี้โกรธขี่หลงไม่ใช่ของเราความคิดและความรู้ก็ไม่ใช่ของเรา ความฉลาดความเก่งก็ไม่ใช่ของเราแต่เป็นเครื่องมือให้เรารู้เท่าทันกิเลสเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เราไปหลงว่าเราเป็นคนฉลาดเรามีความรู้เยอะจบสูงสุดสร้างอัปตาตัว ต, วตวขนขึ้นมาหัวโตนะแล้วก็เอาความรู้เราเนี่ยไปสร้างกรรมเบียดเบียนตัวเองและคนอื่นนั่นแหะมันเป็นหนทางไปสู่ความทุกข์ทุกขติเนี่ยฉลาดมันมีสองขั้วนะ ฉลาดทางโลกกับฉลาดทางธรรมฉลาดทางโลกคิดว่าฉันเรียนเยอะๆมีความรู้เยอะๆเก่งกว่าคนอื่นเพื่อเป็นเครื่องมือเอาชนะเขาเป็นอาวุธทางปัญญาอันนี้ฉลาดแบบโลกิยะอันนี้ฉลาดฉลาดแล้วถ้าไม่ระวังเนี่ยอันนี้ฉลาดไปสูน่นรกส่วนฉลาดทางโล ก, กุตระซึ่งเรียกว่าปัญญานั้นเนี่ยมันจะปลดปล่อยให้เราพ้นทุกข์นะมันต่างกันคนละขั้วเลยนะก็ คนทุกวันนี้เอาความฉลาดที่เรารู้เรื่องสังคมโดยเฉพาะนั่งที่นี่สนมากเราเป็นสตรีเพศมากนะแต่งตัวแต่งหน้าทุกวันแต่ไม่เคยแต่งใจเพราะความฉลาดที่เป็นเฉโกบอกว่าแต่งสวยๆจะทำให้เขารักเราชอบเราเขาจะได้หลงเรานะ ไม่ต้องแต่งใจเพราะมันอยู่ข้างในไม่มีใครเห็นงามข้างนอกแต่ข้างในไม่งามเราเป็นคนมุสาเราผิดศีลเราหลอกลวงเขาละอันนี้คือฉลาดแบบเฉโกเห็นไหมยิ่งฉลาดยิ่งโง่ถ้าฉลาดแบบนี้ยิ่งฉลาดยิ่งโง่ไปเป็นพวกซาไกาเป็นเงาะป่าดีกว่าไม่ต้องสร้างกรรมนะ เอาสีมาโปะมันไม่เห็นไม่เห็ น, ไ ม, หนไม่เห็นความคิเลศตัวเองเพื่อจะหลอกให้เขานะแต่บังคืนนอนหลับตึม้มน้ำลายไหลยเยอะม้วเขาเห็นปุ๊บเขาก็เลยเบื่อเราไงว่ามึงใส่หน้ากากหลอกกูมาตั้งนานแล้วหลอกเขาไม่ได้นานหรอกนะนะอันนี้ฉลาดแบบเชโกคนทุกวันนี้ก็ความฉลาดแบบเชโกเนี่ยมันทําให้เราเอาหน้าตา ม, มากินเราไม่ได้ใช้ปากมากิน ถ้าเราใช้ปากมากินเนี่ยอร่อยแค่ไหนก็ช่างยัดยัดยดยัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีกระเพาะลําไส้มารองรับแล้วมันจะอ้วกออกมาฮะแต่ถ้าเราหน้าตามากินเนี่ยมันไม่มีวันอิ่มทุกเพืสแสวงหาเพื่อให้หน้าตามันกินทีนี้คำว่าหน้าตากินเนี่ยมันไม่มีขอบเขตจํากัดเห็นไหม พอมีเงินสิบล้านมีบ้านหลังละสิบล้านโอ้โหมีความภูมิใจหมดในโซนเนี้ยบ้านชั้นใหญ่ที่สุดพอปีหน้าไอ้ข้างบ้านมันสร้างบ้านร้อยล้านฮะเหี่ยวหมดเลยความภาคภูมิใจที่มีนั้นหายไปไหนหมดเนี่ยพวกฉลาดแบบเชียโกเนี่ยทุกแน่ๆนะก็คำถามต่อไปที่พ่ครูพูดบ่อยๆว่า ความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระแล้วเราจะทำอย่างไรให้เกิดความอิสระขึ้นได้นะที่พระครูพูดบ่อยๆว่าความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระแล้วเราจะทำอย่างไรเกิดความอิสระขึ้นได้นะก็ เ ร, เร็วนี้พ่อครูไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าความสุขสร้างได้แต่ไม่ได้ดูในรายละเอียดนะแต่มีความรู้สึกว่าความสุขที่ความสุขใดที่เกิดขึ้นจากการสร้างการกระทําให้มันเกิดขึ้นมันเป็นแค่โลกิยสุขมันไม่ใช่สุขแท้มันเป็นสิ่งปรุงแต่งนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะ เพราะว่าทุกคนแสวงหาความสุขนะคืนนี้เรามาคุยเรื่องนี้และบางเอิญอีกนั่นแหละพราครูไปเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะซึ่งเขียนถึงเรื่องเตา๋าวิธีที่ไล้เส้นทางก็เลยลองมาเปิดดูไปพบข้อความที่เรียบง่ายสวยงาม พ่อครูเคยนำประสบการณ์ของเซนมาแบ่งปันเป็นช่วงๆนะแต่วันนี้ก็คือถือโอกาสนำประสบการณ์ของเตา๋มาแบ่งปันทุกอย่างก็ให้รับฟังด้วยจิตที่เบิกบานเป็นกลางนะเรียนรู้ไปด้วยกันนะแล้วจะเข้าใจวิธีที่ศูนย์พลานคอยดําเนินอยู่มากขึ้นนะ พ่อครูไม่รู้หรอกว่ายิบเจ็ดปีพ่อครูทําอะไรอยู่พ่อครูไม่ได้ตั้งชื่อมันเรียกภาษาเพราะว่าพ่อครูไม่จําเป็นเราไม่ใช่ละที่นิกายนะแต่เราทําออกมาจากข้างในมันมีความรู้สึกพ่อครูก็ทําแบบนี้แต่พอไปดูเรื่องเต่าแล้วเนี่ยที่นี่มีหมดละมีทั้งเซนมีทั้งเตา่ามีทั้งพุทธนะแล้วก็บังเอิญหนังสือเล่มนี้เขาพูดเต่าเขาพูดนะเขาก็ไปเปรียบเทียบ ก, กับขงจืดด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่เราฟังอย่างเบิกบานนะั้นไม่ต้องเครียดเรียนรู้ไปด้วยกันคือเต๋าเนี่ยเขาเรียกว่าลัทธิเตา่าจริงๆแล้วเต๋าไม่ใช่ลัทธิเต่าไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่าศาสนาด้วยเต๋าไม่มีการจัดตั้งนะเขาอยู่แบบเตา๋าส่วนใหญเต่าทุกวันนี้เผยแพร่มามีสายโนนสายนี้อันนี้เตา๋าเต๋าปรุงแต่งเต๋าแปรรูปนะเดี๋ยวเต๋าจริงๆเรารู้ว่าเต๋าคืออะไรนะ แล้วเขาก็เปรียบเทียบกับขงจื๊อนี่ดังไปทั่วโลกตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ททั่วโลกทุกประเทศเนี่ยใช้หลักของของจื๊อคือหลักเหตุผลแต่เต๋อเขาเชให้เห็นว่ามันไม่พ้นทุกนะก็พอ ก, กูจะอ่านเป็นช่วงๆให้ฟังนะพอ ก, กูพอ ก, กูอ่านอะไรแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพอ ก, กูไม่ต้องเอามาทั้งหมดพวกูก็ย่อลงมาแล้วก็เอาช่วงที่มันสําคัญภาษาง่ายๆแล้วให้พวกเราเข้าใจง่ายๆ นะขงจือที่เราเรียกลัทธิขงจือลัทธิเต่าเนี่ยเกิดที่เมืองจีนสมัยเดียวกันกันกบเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ประสูติที่อินเดียพุทธเกิดที่อินเดียลัทธิเต่าเนี่ยพระครูพูดตามภาษาท้องถิ่นนะภาษาสังคมเขาเรียกลัทธิเตา่าขงจือนี่เป็นลัทธิแต่เต่าไม่ใช่ลัทธินะ แต่เขาเรียกรัทีิเต๋าไปแล้วเกิดขึ้นที่ประเทศจีนพร้อมๆกับพุทธก็เขาเขียนว่าอย่างนี้ครั้งหนึ่งในระหว่างทางขงจื้อกำลังเดินทางไปเมืองเว่ยเขาเห็นชายชราในระยะไกลเขาได้เห็นเ ข, เขาได้หัน มายัางบรรดาสิทธ์ของเขาและพูดว่าชายชราคนนั้นมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเป็นเพราะอะไรทำไมชายชราอายุร่วมร้อยปีทำงานอันต่ำต้อยแต่ยังคงร้องเพลงได้ไปหาและไต่ถามว่าอะไรเป็นสาเหตุสำหรับความสุขของเขา ทำไมเขาจึงมีความสุขทำไมเขาจึงร้องเพลงหากพวกเราพิจนารณาให้ดีอาจจะพบหลักการหรือเทคนิคบางอย่างก็ได้คำพูดนี้สะท้อนให้เห็นสะท้อนให้เห็นถึงลัทธิของจือแสวงหาความรู้นะหาหลักการหาเหตุผลตลอดเวลานะอันนี้สะท้อนเห็นถึงของจื้อเนี่ยเขาเป็นนักปราชญ์เขาเป็นศาสตราจารย์จริงเนอะ มึงจีนดังมากแล้วตอนนี้ทฤษฎีของจือก็ลานไปทั่วโลกนะเพราะคนทั้งโลกนี่ชอบหลักเหตุผลและทุกอย่างมีหลักการของมันนะจือก้งเป็นลูกศิษย์ของจือเนี่ยรับอาสาที่จะไปเขาได้ไปดักรอที่ท้ายคันนาเขามองหน้าชายชลาแล้วถอนหายใจ พร้อมพูดว่าท่านไม่รู้สึกเสียใจบ้างเลยหรือไรเก็บมเมล็ดข้าวไปแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยมัสดอนให้ดูว่าจนนะนาไม่ใช่ของเขานะชาวนาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเมล็ดข้าวมันหลุดอยู่ตรงนั้นนะ่ะชายชราเนี้ก็ไปเก็บมเมล็ดข้าวเก็บมเมล็ดข้าวแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยมีความสุขนะ จือก้งคิดว่าชายชลาผู้นี้ไม่น่าจะมีอะไรที่ทําให้เขาสุขใจเลยตามหลักตักกะตักกะคือเหตุผลแล้วเนี่ยเขาน่าจะร้องไห้สะอึกสะอื้นแต่นี่เขากลับร้องเพลงอายุร่วมร้อยปีรอคอยความตายแต่กําลังเก็บมเม็ดข้าวที่ชาวนาเกี่ยวข้าวแล้วทําหล่นเขาน่าจะเป็นทุกข์ใจน่าเป็นทุกข์ร้อนใจ กับมีความสุขกับการร้องเพลงจื่อกองก็ถามต่อไปว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้ท่านมีความสุขชายชาลาย้อนกลับไปว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้ข้าไม่มีความสุขละ่ะนะท่านถามไปคืนนะทีนี้จือ่องกงบอกว่าในตอนที่ท่านเป็นเด็ก ท่านไม่เรียนรู้ว่าควรทําตัวอย่างไรคนที่เขามีความรู้สํชนบทในชีวิตเนี่ยเขาจะมองคนที่ต่ําต้อยต่ําต้อยเขาเอาอะไรมาวัดไหมเขาเอาฐานะทางเศรษฐกิจมาวัดแสดงว่าตอนเด็กๆ เ, เนี่ยเธอไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยใช่ไหมในตอนที่ท่านเป็นหนุ่มใหญ่ท่านไม่ได้ทิ้งน่องรอยอะไรไว้ไร้ทั้งบุตรและภรรยาแล้วในวัยชร า, าตอนนี้ความตาย ใกล้เข้ามานะจือกองคิดว่าชายชาลาไม่มีการวางแผนชีวิตพอแก่ตัวมาถึงยากจนเดือดร้อนนะเขาคิดอยู่ในใจนะนะทีนี้ชายชาลาก็พูดว่าไม่มีอะไรที่ข้าจะรู้สึกเสียใจเพราะตอนที่ข้าเป็นเด็กข้างไม่เคยเรียนรู้ว่าจะต้องทำตัวอย่างไร ข้าไม่เคยตกเป็นทาสใครข้าเป็นอิสระตั้งแต่วัยเด็กข้าไม่ยอมให้ใครมาทําให้คว้เขวแล้วทาไมข้าจะต้องมาเสียใจทําไมล่ะไม่มีเหตุผลที่จะเสียใจข้าอยู่อย่างมีอิสระภาพเด็กๆ ก, ก็ฟังนะทุกนี้เราเป็นทาสเทคโนโลยีไหมเป็นทาสของวัตถุนิยมไหมนะ พอได้ปุ๊บก็ดีใจพอไม่ได้ปุ๊บก็เสียใจเห็นนะแต่คุณตาคนนี้เนี่ยเขาบอกเขาทําทำไมต้องทุกข์หรนะทีนี้ในตอนที่ท่านเป็นหนุ่มใหญ่ท่านไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้แล้วทำไมต้องเสียใจถ้าท่านทะเยอทะยานท่านคงจะเสียใจเพราะความทะเยอทะยานไม่เคยเติมเต็มหากท่านไม่ทะเยอทะยานท่านจะมีความสุข มันกลับเันกับสิ่งที่เราเข้าใจนะเพราะความหมุดหงิดจะเข้าสู่ตัวท่านไม่ได้ถ้าเราใช้เยวัญนี้เรากลัวจะไม่ได้แล้วก็หมุดหงิดฟุ้งซ่านกังวลเห็นไหมเออเทยานสู้เขาไม่ได้ก็หมุดหงิดอีกนะและชายชะลาก็ไม่มีลูกไม่มีเมียดังนั้นมีอะไรละ่ะที่เขาจะต้องกังวลใจ เขาอยู่คนเดียวจริงๆไม่มีใครรบกวนเขาความสันโดษของเขาไม่ถูกรบกวนอยู่คนเดียวเป็นอิสระเป็นนายของตัวเองอย่างแท้จริงไม่มีใครลากเขาไปที่นั่นที่นี่ไม่มีครอบครัวไม่มีญาติไม่มีอะไรให้ทุกข์ใจเลยภาษานี้นี่มันมันฝืนความรู้สึกเราโอ้ฉันอยู่คนเดียวฉันเหงาว้าเวฉันเป็นลูกกำพร้า ฉันขาดต้นขาดนี่เราไปคิดเอาเองอันนี้เขาพูดความจริงว่าเขาไม่ต้องห่วงใครเห็นไหมไร้ทั้งภัรธยาและบุตรในวัยชรามีอะไรที่จะให้เสียใจการอยู่คนเดียวนั้นมันเหมือนกับยอดสูงสุดของเทือกเขาฮิมาลัยอยู่ตามลำพังทุกสิ่งทุกอย่างช่างสวยงามเงียบสงบและสุขสาลาญ ไม่มีใครให้มาเป็นภาระทีนี้คำตอบสุดท้ายที่เขาบอกว่าความตายกำลังใกล้เข้ามาสำหรับเต๋าแล้วความตายก็เป็นแค่การกลับมาถึงบ้านเท่านั้นการเดินทางได้สิ้นสุดลงแล้วความตายคือการได้กลับมาถึงบ้านเป็นการกลับไปสู่จุดเริ่มต้นไปสู่แหล่งกาเนิดกลับไปยังที่ที่เราจากมา แล้วมีอะไรที่จะต้องเสียใจก็เพียงแต่มีความสุขเท่านั้นเพียงแต่มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างยอดเยี่ยมจะคาดหวังอะไรไปมากกว่านี้เห็นมภาษาที่เราเรียนรู้นั่นเราไปเข้าใจมันผิดเห็นไหมระบบตายไม่ดีเห็นฉันไม่ชอบตายฉันยังวางลูกวางเต้าวางหลานวางสมบัติไม่ได้ไง อั น, น, นธรรมชาติไม่ได้บอกเราอย่างนั้นนะเราคิดเอาเองเราต้งตายไม่ลงไงดิ้นดิ้นดินดินดิ น, ด น, ด น, ด น, นตัวแข็งหมดสองสามวันก็เน่าเหม็นแต่ถ้าเราตายแบบยิ้มไปเลยเอาทิ้งไว้กี่ปีก็ไม่เน่านะตัวนิ่มเลยเห็นไหมเนี่ยคือเราตายไม่เป็นเพราะเราไม่รู้ว่าความตายมันคืออะไร สิทธิ์ของของจื้อไม่เข้าใจเขาถามซ้ำๆเขาพลาดแล้วพลาดอีกเขาได้ยินแต่เขาไม่เข้าใจมันผ่านผ่านข้ามหัวเขาไปพวกที่รอบรู้มักจะพลาดจากความจริงเสมอเราบัณฑิตคือผู้ที่ไม่มีทักษะในการฟังก็ไม่ฟังนะเหมือนฟังแต่ไม่ฟังฟังพุ๊บเอามาคิด เขาพูดสิบคำคำแรกก็ยังคิดไม่ออกเลยมันจะเข้าใจได้ยังไงเนี่ยนักวิชาการนะหัวของเขาเต็มไปด้วยความคิดและยังต้องเตรียมคำถามอีกมากมายว่าจะถามอะไรอีกต่อไปเขาทำเหมือนกำลังฟังแต่เขาไม่ได้ฟังหลอกฟังคำนี้คิดยังสงสัยจะถามคำนี้และอีกเก้าคำพูดไปไม่ได้ยินเลย มันจะเข้าใจได้ยังไงนี่หละคือผู้หลงว่าตัวเองรู้นะเขาบอกบัณฑิตคือผู้ที่ไม่มีทักษะในการฟังนะสู้เด็กก็ไม่ได้นาะความสุขที่แท้จะเป็นปัจจุบันไม่ใช่อดีตนะความสุขที่แท้จริงเนี่ยคือปัจจุบันไม่ใช่อดีตความสุขที่แท้จะเกิดขึ้นที่นี่เดี๋ยวนี้ ณขณะนี้เท่านั้นไม่ต้องการเวลาสำหรับสาเหตุเพราะสาเหตุและผลตนอยู่ด้วยกันถ้าท่านพูดว่าข้ามีความสุขเพราะข้าเกิดมาจากพ่อที่ร่ำรวยที่ผ่านมาเจ็ดสิบปีแล้วนะบางคนบอกหนึ่งร้อยปีแล้วนะมีความสุขเพราะฉันพ่อฉันรวย ความสุขของท่านไปเกี่ยวพันกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นเวลาร้อยปีแล้วมันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความทรงจำของท่านเท่านั้นบางคนบอกว่าข้ามีความสุขเพราะเมื่อสิบปีก่อนข้าได้รับรางวัลโนเบลสิบปีก่อนท่านได้รับรางวัลโนเบลความสุขของท่านนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นสิบปีแล้วฝุ่นเริ่มจับแล้วมันมันไม่ใหม่สดมันเป็นของเก่าเหม็นอับ ท่านนั้นน่าสงสารมากยังคงกินอาหารที่ทําไว้ตั้งแต่สิบปีที่แล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอดีตไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอนาคตพรากครูต้งบอกไงไอความสุขที่เราสร้างขึ้นมาได้มันไม่ใช่สุขมันเป็นอุปทานนะเขาเก็บมเมล็ดข้าวไปด้วยเพราก็ร้องเพลงไปด้วยเขาสุข เขาพอใจในสิ่งที่เขาทำเขาไมไ่สุขเพราะเหตุผลอะไรนะไปถามเขาว่าคุณสุขเนี่ยเพราะเหตุผลอะไรเนี่ยพวกหาเหตุผลความสุขไม่มีเหตุผลอ่านะชายชลาพูดขึ้นว่าความสุขที่ข้ามีนี้ทุกคนก็มีได้มันไม่มีอะไรที่เป็นของข้าคนเดียวคนทุกคนมีได้เช่นกันเพียงแต่พวกเขาจำมันไม่ได้เท่านั้นไม่เพียงแต่พวกเขาจามันไม่ได พวกเขายังมัวแต่ค้นหาสิ่งที่พวกเขามีอยู่แล้วนอกจากจะค้นหาแล้วพวกเขากลับเอาแต่กังวลในเรื่องนี้อีกด้วยเรากําลังแสวงหาความสุขนอกกายเราคิดว่าเราเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขความสุขเราอยู่ในอนาคตทุวกวันนี้ทุกเพราะอนาคตจะสุข เห็นไไปคิดถึงอดีตโอ้ภาคภูมิใจว่าพ่อชั้นรวยอะไรมหาศาลแล้วไปสุขกับเรื่องอดีตนะซึ่งมันไม่ใช่สุขจริงสุขคืออยู่ปัจจุบันทีนี้เขามีคำพูดว่าจงอยู่อย่างบริบูรณ์ผู้ที่นอนหลับจะไม่สามารถเต็มที่กับอะไรได้เลยท่านกำลังรับประทานอาหารอยู่ แต่ท่านไม่สามารถจะเต็มที่อยู่ตรงนั้นท่านกำลังคิดเรื่องร้อยแปดพันอย่างท่านกำลังฝันเรื่องต่างๆท่านกำลังยัยดอาหารเข้าไปอย่างเป็ น, นกลไกเท่านั้นจงอยู่อย่างรู้ตัวทั่วพร้อมกับการกระทำของท่านไม่มีใครอยู่ได้อย่างสมบูรณ์สังอย่างบริบูรณ์โดยปาศจากการตื่นรู้ การอยู่อย่างบริวูนหมายถึงไม่มีความคิดอื่นใดเลยเห็นไหมเพราครูพูดมาทั้งหลายปีแล้วคนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เลยว่าคนคิดไม่เป็นก็มีคนแยง้งพระครูว่าไม่คิดได้ยังไงมันถ้ามันยังไม่ตายมันก็คิดเนี่ยนะก็คือยังเข้าไม่ถึงนะภาษาเขาเขียนอย่างนี้นะไม่ใช่พระครูพูดใช้คาว่ายัดนะฮะ ไม่ใช่ยัดอาหารเข้าไปเท่านั้นท่านมีความสุขไปกับมันร่างกายจิตใจวิญญาณทั้งหมดล้วนสอดประสานกันการรับประทานอาหารของท่านกลายเป็นการภาวนาเห็นไหมอยู่กับปัจจุบันยืนก็อยู่กับการยืนเดินก็อยู่กับการเดินนั่งก็อยู่กับการนั่งนอนก็อย่กนั่นเราเป็นอย่างเดียวกับมันนะั่นคือการภาวนาไม่ใช่ภาวนาไปท่องบนเอ่อ ภาษาโนวนภาษานี่ไปสร้างบริกรรมไม่ใช่การภาวนาก็คือการทำอะไรตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นการรับประทานอาหารของท่านกลายเป็นการภาวนาการเดินกลายเป็นการภาวนาการตัดไม้กลายเป็นการภาวนาการหาบน้ำกลายเป็นการภาวน า, ารเรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นการกระทาอันเจดจ้า แต่ลัการกระทากลายเป็นสิ่งที่บริบูรณ์มีคุณลักษณะอย่างเตา๋านี่คืออยู่อย่างเต๋ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันตลอดเมื่ อ, อไรก็ตามที่อะไรเป็นไปตามกฎเกณฑ์เมื่ อ, อไรก็ตามที่อะไรเป็นไปตามกฎเกณฑ์เต๋จะต่อต้านมันเป็นกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเต๋จะต่อต้านมัน เมื่อใดก็ตามที่อะไรเป็นไปตามธรรมชาติเตาจะสนับสนุนเตาคือความเป็นเช่นนั้นเตาคือการยอมรับสิ่งที่เกิดสิ่งที่เป็นและในการยอมรับนั้นท่านก็จะเบิกบานนะอันนี้ก็ต่อไปมีเซกชันหนึ่งเพราะกูเอาหลายอย่างนะนะ การเปรียบเทียบเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทําให้ท่านทุกขการอยู่อย่างไม่เปรียบเทียบอยู่อย่างไม่เป็นทั้งสองอย่างคือไม่สูงกว่าและไม่ต่ำกว่าเพียงแต่เป็นตัวท่านเองเท่านั้นไม่คิดสัมผัสกับคนอื่นไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นเพียงแต่อยู่ในความเป็นลําพังของท่านเท่านั้นจากนั้นท่านก็จะมีความสุข เพียงแค่ไม่เปรียบเทียบเห็นไหมไม่ใช่ไปสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อให้มันสุขแค่อย่าทําให้ตัวทุกข์เองเองไม่ต้องเปรียบเทียบที่เราทุกข์เนี่ยตัวเปรียบเทียบเอ๊ะมันมีไว้เราไม่มีไว้ไอพ่อมันรวยไว้ฉันจนไว้เห็นไหมเราหาเรื่องทุกข์ตลอดเวลาเพราะเราไปเปรียบเทียบก็เดี๋ยวนี้มีคนสามประเภทพวกที่หนึ่งพวกที่มี พวกที่สองพวกที่ไม่ต้องมีพวกที่สามพวกที่สละทิ้งได้พวกที่หนึ่งเชื่อว่าการมีมากกว่าจะทําให้บรรลุถึงความสุขนี่ยนะถึงมีการกระทําเกิดขึ้นสุขสร้างได้นะที่เขาบอกสร้างได้มันเป็นโล ก, กิยะสุขมันเป็นความคิดแบบโลกโลกมันไม่ใช่สุขแท้มันสุขสุขิบดิ บ, ดบนะ พอมีมากกว่าเขาสุขเห็นไหมพอเขามีมากกว่าเราก็เลยทุกขนะ์พวกที่สองเชื่อว่าการที่ไม่มีจะทําให้ท่านบรรลุถึงความสุขนะพวกที่สองเชื่อว่าการที่ไม่มีจะทําให้ท่านบรรลุถึงความสุขทั้งสองพวกนี้ยังเชื่อในเรื่องการมีกับการไม่มีส่วนพวกที่สามแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเป็นเรื่องของการดําลงอยู่ ไม่ใช่เรื่องของการมีหรือไม่มีเราก็สักแต่ใช้ชีวิตพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นไม่ทุกนะขงจือเชื่อในการทำให้ตนเองสบายใจแต่เลียจือเชื่อในความสันโดษเลียจือนี้เป็นครูบาอาจารย์ทางเตา๋านะเชื่อในความสันโดษความสันโดษ จะมีได้ก็ต่อเมื่อท่านไม่เปรียบเทียบเท่านั้นเมื่อท่านอยู่แต่ภายในตัวท่านอยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่ณนะจุดศูนย์กลางอย่างลากลึกณนะจุดศูนย์กลางอย่างยากลึกฟังไปเรื่อยนะไอนี้ตรงกับที่เราทำอยู่อย่างลากลึกและการที่ท่านมีชีวิตอยู่ภายในอย่างเต็มที่ภายในอย่างเต็มที่ แล้วในทันทีทันใดท่านจะรู้ความจริงว่าทั้งหมดนี้คือตัวท่านแต่ตัวท่านนั้นก็คือทั้งหมดท่านไม่ได้แยกออกจากกันกายเวทนาจิตทำเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้แยกออกจากกันนะพวกครูดูแล้วต่านิสเต๋าเนี่ไม่ใช่เขาแยกออกจากพุทธนะเขาเกิดขึ้นพร้อมกันแต่จิตถึงเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยมันเห็นสิ่งเดียวกัน นะผู้เจ้าก็พูดเรื่องนี้แต่ภาษาเปล่งออกมาเหมือนกันแต่ในยากเหมือนกันหมดนะอัตตาตัวตนของท่านได้หายไปช่วงที่เราหมุนแรงๆนะทุกคนหมุนแรงๆนะหมุนแรงๆเลยละ่ะมันว่างไปหมดแรงเหวี่ยงทาลายสนามมะเหล็กทําลายความคิดอารมณ์ต่างๆเข้าไม่ได้เห็นไหมตอนนั้นกายเวทนาเป็นหนึ่งเดียวละนะอัตราตัวเราหายไปหมดเวลานั้นมันสั่งการเราไม่ได้ มันมันเหมือนกันนะอัตตาตัวตนของท่านได้หายไปท่านกลายเป็นจั ก, กรวาล น, นั่นคือความสันโดษอันยิ่งใหญ่เป็นการเฉลิมฉลองที่ไม่ได้ผ่านมาทางเหตุผลมันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเห็นถ้าเราอิสระเราไปอยู่ข้างในแล้วเนี่ยตอนนั้นตัวเราก็ไม่มีเราเป็นใครก็ไม่รู้เป็นสิ่งที่หมุนอยู่เป็นจั ก, กรวาล นั่นคือความเราสัมผัสความว่างถึงมันจะเป็นว่างชั่วคราวกัช่างจิตไปบ่อยๆแล้วเนี่ยมันก็ตัดกระแสสิ่งที่ทำให้เราไม่ว่างอารมณ์ต่างๆนะที่ที่เราเป็นธาของมันแรงเวียงเร็วๆเนี่ยมันจะทาให้เรารวมศูนย์กายเวทนาจิตธรรมการทำให้ตนเองให้สบายใจเป็นการใช้เหตุผลส่วนความสันโดดนั้นเป็นการเข้าถึงซึ่งความจริง นะชีวิตคือการเป็นอยู่ชีวิตเป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่เชิงการนึกคิดปีชายานไม่ใช่สะพานแต่เป็นเครื่องกีดขวางปีชายานหมายถึงองค์ความรู้ต่างๆไม่ใช่สะพานทำให้เราข้ามพ้นวัฏสงสารเป็นสิ่งกีดขวางนะถ้าเราเรียนรู้เราไม่รู้เท่าทันมันความรู้นั้นสร้างอัตตา เป็นสิ่งขวางกั้นทางเดินนะวิธีการแบบของจื้อเป็นการอิงความคิดของจื้อคิดเกี่ยวกับชีวิตเล่าจื้อจวงจื้อจวงจื้อเล่าจื้อจวงจื้อเลี่ยจื้อนะเป็นสามคูบาอาจารย์ของเต่าเขานี่นะเล่าจื้อเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นรุ่นแรกนะส่วนจวงจื้อก็ตามมาเลี่ยจื้อก็ตามมาเป็นสามยุคนะไม่ได้คิดเกี่ยวกับชีวิต พรพวกเขาพูดว่าพวกท่านสามารถคิดไปเรื่อยๆคิดไปโน่นคิดมานี่ท่านจะวนไปรอบแล้วรอบเล่าแต่จะไม่สามารถเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางได้เลยท่านจะต้องเข้าไปอย่างตรงๆอย่างทันทีทันใดมองให้เห็นชีวิตอย่าไปคิดเกี่ยวกับมันอันนี้ก็ตรงกับที่หลวงปู่ดุลเคยบอกว่าคิดอย่างไรก็ไม่รู้ ถ้าอยากรู้ก็ต้องคิดเราอยากรู้เราคิดวางแผนมาที่ศูนย์แต่พอเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยคุณต้องเลิกคิดเพราะสิ่งนั้นคิดอย่างไรก็ไม่รู้ต้องเข้าไปสัมผัส ด, ด้วยตัวเราเองนะเมนูอาหารไม่ใช่อาหารท่านสามารถอ่านเมนูไปได้เรื่อยๆแต่มันจะไม่ช่วยอะไรท่านจะต้องกินท่านจะต้องกลืนท่านจะต้องย่อยอาหาร ท่านจะต้องดูดซึมมันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของท่านผู้ที่รอบรู้มักจะอ่านเมนูไปเรื่อยๆยิ่งพวกเขาหิวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอ่านมากขึ้นด้วยเหตุนี้ผู้ที่รอบรู้จึงเป็นผู้ที่หิวโหวยที่สุดพวกเขาไม่เข้าใจการใช้ชีวิตไม่เคย ร, รักไม่กล้าเสี่ยงไม่เคลื่อนไหวไม่เต้นลําไม่เฉลิมฉลอง เขาเพียงแต่นิ่งอยู่ที่นั่นและคิดเกี่ยวกับมันเท่านั้นผู้ที่รอบรู้มักตัดสินใจไว้แล้วว่าสิ่งแรกก็คือเขาจะต้องเข้าใจมันให้ได้อย่างถ่องแท้ก่อนแล้วเขาถึงยอมเคลื่อนไหวนี่คือผู้รู้สงสัยเลยเอ๊ะอะไรเอ๊ะอะไรนะเรื่องนี้เมื่อกี้แวบจิตพักกูก็แวบมาถึงพี่เทวาเรานะ พี่เทว่าชื่อจริงเขาพี่ทาวิสมาจากอเมริกานะนะเหมือนลูกบุญธรรมพ่อครูคนหนึ่งมาอยู่้องไปอยู่กับอยู่กับพระครูเป็นเวลายาวนานมาวันแรกจะถา ม, ถามน่นถามนี่ถามน่นถามนี่นะเอาเหตุผลแบบตักะแบบแบบฝรั่งพรอครูตอบเรื่องนี้ก็ถามเร่้ตอบเรื่องนี้ถามเรื่องนี้พอพอดีระครังช่วยตอนนั้นเาตีระครังไปกินข้าวนะพักยก่ย วันนั้นก็ทำกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมพอครูถามว่าพี่เทวารู้เปล่านี่ยเขาเรียกว่าอะไรคนไทยเขาเรียกว่ากว๋วยเตี๋ยวนะถ้าพี่เทวาถามพ่อครูว่ารสชาติมันเป็นยังไงพ่อครูบอกมันเปรี้ยวนิดหนึ่งหวานนิดหนึ่งเค็มนิดหนึ่งมันร้อนนิดหนึ่งพี่เทวารู้แค่นั้นน่ะทํำไมไม่กินดูไม่ต้องเสียสตังค์เขาถึงยอมปฏิบัติบางอย่างมันพูดไม่ได้พูดได้แต่คุณก็เข้าใจแต่ไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้นะ่ะคุณต้องกินคุณต้องกลืน คุณต้องย่อยคุณต้องเอามันมาพอกินของผิดปุ๊บเดี๋ยวคุณจะท้องร่วงนะนะคุณก็รู้ลว่าคุณขอยินของผิดถ้ากินปุ๊บคุณร่างกายแข็งแรงคุณก็รู้ใ้ตัวคุณเองแต่ตีนี้องค์ความรู้ไม่ไปท่องจำความรู้คนอื่นนะก็ไม่รู้เพราะครูคิดว่ามันถึงเวลานั่นแหละเพราะครูจึงมาจับปกติยี่สปีเพราะครูไม่จับหนังสืออะไรเลยนะ แต่ตอนนี้มันถึงเวลาก็เรียนรู้ไปด้วยกันมาแบ่งปันว่าเออแต่ศาสนาเาแต่ละศาสนาเขาทำอะไรลทัทธิแต่ละที่เขาเป็นยังไงเ็าใช้อุบายใช้เทคนิคอะไรเต๋อเขาพูดอีกแบบหนึ่งสิ่งแรกที่ท่านต้องทำก็คือเคลื่อนไหวทำก่อนนะแล้วความเข้าใจจึงจะตามมา และความจริงจะปรากฏแต่ต้องเคลื่อนไหวให้ถึงที่สุดนะไม่ใช่ทำครึ่งหนึ่งเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ อ, อยู่เฉยๆมาปฏิบัติให้มันเหนื่อยทำไมแล้วก็ไปสรุปผลไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องทำดูก่อนเห็นไหมเต่านี้ยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์คุณอย่าเพิ่งตอบรับอย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งเชื่อคุณต้องลองดูก่อนนะชาวเต่าเรียกผู้ที่สามารถเป็นเจ้าของความสุข ชาวเต๋อเรียกผู้ที่สามารถเป็นเจ้าของความสุขได้ด้วยตัวเองนะชาวเต๋อเรียกผู้ที่สามารถเป็นเจ้าของความสุขได้ด้วยตัวเองว่าเป็นอาจารย์ไม่ใช่ผู้รู้มากผู้ที่ทําให้ตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองชาวเหลาชาวชาวเต๋อเรียกว่าอาจารย์นะชาวเต๋อไม่ไล่ล่าความรู้ เขาต้องการรู้ว่าใครกันที่เป็นผู้รู้นี้อะไรคือการรู้นี้เขาต้องการแหล่งกาเนิดของการรู้ความรู้ตัวนี้เกิดขึ้นที่ตรงไหนแต่องจื้อแสวงหาความรู้ตลอดนะไปท่องจาเอาความรู้คนอื่นนะการรู้เป็นสิ่งสดใหม่การรู้มาจากแหล่งกาเนิด และแหล่งกำเนิดนั้นอยู่ในตัวท่านไม่ได้อยู่ที่อินเดียที่ภูเขาฮิมาลไยมันอยู่ในตัวท่านนะรอคอยให้ท่านกลับเข้าไปอย่ามองหามันจากภายนอกจงมองเข้าไปข้างในนั่นคือสิ่งที่เขาเอ่ยถึงพระเยซูนะนั่นคือสิ่งที่พระเยซูพูดเสมอว่าอาณาจักรของพระเจ้า อยู่ในตัวท่านมันก็อันเดียวกันขมือเป็นผู้รอบรู้ชอบเดินทางเพื่อสแสวงหาความรู้ตลอดเวลาเขาทำเหมือนความรู้เป็นสินค้าเป็นสิ่งของที่สามารถหาได้จากที่ไหนสักแห่งหนึ่งจากใครสักคนหนึ่งไม่มีใครสามารถให้ความรู้ความรู้ที่นี่ของเขามันหมายถึงปัญญาที่เราพูดถึง น, นะแต่ถ้าเราไม่ชี้แจงว่า เราเข้าใจว่าเอ้ความรู้เป็นวิชาการที่เราเรียนรู้อันนั้นเป็นวิชาความรู้ทางวิชาการตนเองอันนี้คือความรู้เรื่องชีวิตท่านในสายพูดเราเรียกว่าปัญญานะไม่มีใครสามารถให้ความรู้หรือปัญญากับท่านได้มันไม่ใช่สิ่งของที่จะถูกโยกย้ายโอนกันโอนกันได้ท่านต้องกลายเป็นมันเท่านั้นท่านต้องรวมตัวท่านเข้าไปกับการรู้นั้น เห็ไหมท่านต้องรวมตัวท่านตัวท่านมีอะไรมีกายเวชนาจิตธรรมต้องรวมกันแล้วก็ไปเป็นมันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในอิ Out. นไซน์เอาก็ไม่มีมหาวิทยาลัยไหนสามารถให้สิ่งที่ผู้ทรงปัญญาเรียกว่าการรู้ นะความรู้กับการรู้ไม่เหมือนกันนะความรู้ที่เราเรียนรู้วิชาทําขนมวิชาวิทยาศาสตร์แนั้นเป็นความรู้เป็นองค์ความรู้วิชานั้นๆแต่การรู้เนี่ยนะที่แท้จริงกับท่านได้นะไม่มีมหาวิทยาลัยไหนสามารถให้สิ่งที่ผู้ทรงปัญญาเรียกว่าการรู้ที่แท้จริงกับท่านได้อะไรก็ตามที่ท่านได้มาจากมหาวิทยาลัย เข้าขายว่าเป็นข้อมูลที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าดาตาหรืออิน r m เ t ชันเท่านั้นเองนะมันเป็นของเก่าที่ถูกยืมมาศกกระปลกเพราะมันถูกส่งผ่านมาเป็นพันพันมือแล้วมันเหมือนกับธนบัตรนะเรื่องนี้พอกูอ่านพูดพกูว่าเอพ่อกูเคยพูดมาแล้ว เราถูกสอนให้เลี้ยงเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยเลยจะมีความสุขเพระครูขยันมากสู้ตายไปโยเ ม, มกาเงินก็เต็มบ้านไงไม่มีเวลาไปจัดแจงมันเพราะมันเหนื่อยทําไปทํามามันเหม็นมากนะไม่รู้อะไรกัดถุงเงินมันขาดเนี่ยนเหม็นมากเห็นไหมเพวกะคูไม่ได้เหม็นเงินไม่ได้ถูกเงินนะแต่เงินมันเหม็นมากมันส ก, กปรกมากเทขยะ ก, ก็จับขอทานก็จับเศรษฐีก็จับ แร่เนื้อไก่อะไรก็จับเห็นไหมมันสกรปรกนะเป็นของเก่าที่ถูกยืมมาสกรปรกเพราะมันถูกส่งผ่านมาเป็นพันพันมือแล้วมันเหมือนกับธนบัตรซึ่งเรียกว่ากระแสเงินสดเคลื่อนที่ไปตามการเวลาตลอดเวลาเหมือนกระแสน้ำเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆสกรปรกมากขึ้น มันเป็นความรู้ของคนอื่นทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นจากเราเองเราเป็นแค่นักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้แต่ตอนนี้วงการการศึกษามันบีบให้เราต้องทําอย่างนั้นนะลูกๆทุกคนทําอย่างมีสติมันเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งอย่าไปหลงมันถ้าเราหลงความรู้นั้นพุ๊เราจะมีอัตตาก็จบเพราะแต่คนอยากจบแล้วนะจริงๆเวลาพวกกูยังเหลืออยู่นะ พวกครูพูดอย่างนี้หลายปีแล้วเพื่อเตือนสติเมื่อประตูตแห่งความรู้แจ้งยังไม่เปิดฉันก็ได้แต่เพียงเฝ้าดูจิตฉันเลื่อยไปปฏิบัติต่อไปเข้าไปในจิตแล้วเราจะรู้ว่าเราเป็นใครเราจะรู้ว่าชีวิตคืออะไรเราไปเรียนรู้วิชาคนอื่นนะยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่รู้ยิ่งเลอะเลือนนะก็อาทิตย์ก่อนมันมีอารมณ์ขึ้นอย่างหนึ่ง คุอยู่ที่นีปีคนเข้ามาผ่านไปเข้ามาผ่านไปนะก็พูดคํานึงว่าเมฆหมอกลอยไปลอยมาฟ้าย่อมเป็นฟ้าพูดคํานี้เตือนยัดเตือนจิตอาสานี่บางทีไปเจอลูกโตๆเซไปเซมานะเมฆหมอกลอยไปลอยมาฟ้าย่อมเป็นฟ้าถ้าเราไม่ตั้งมั่นน่ะคนที่เขาหนีทุกมาเนี่ยเขาจะพึ่งใครนะ เราต้องทําตัวเหมือนฟ้าแต่เมฆหมอกมันเป็นขึ้นของอารมณ์เราเหมือนกันก็ลอยไปลอยมาเราต้องรู้เท่าทันมันนะก็เมื่อมีอารมณ์นี้นี่พะ ก, กูก็อาทิตย์แล้วก็พูดว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่ศูนย์ที่นี่อาจจะตายฟรีอาจจะตายฟรีเพราะมันไม่มีพวกกระซัตรไม่ได้ไปหาเงินเลยทุกวันนี้เราทำไรได้อะไรได้อะไร นะถ้าพูดถึงเรื่องพวกทรัพเนี่เราอาจจะตายฟรีแต่อยู่ข้างนอกอยู่ที่นั่นอาจจะตายเปล่าเพราะเราไม่มีอริยทรัพย์มัวแต่ไปหาพวกทระซับในแง่ชีวิตเนี่ยตายเปล่าสำคัญที่ตายแล้วไปไหนตังหับสำคัญที่ตายแล้วไปไหนนะตายดีหรือตายชั่ว สิ่งที่ทำได้คือหยุดสร้างกรรมซะไม่ใช่มาปฏิบัติขึ้นกลางๆไม่เข้าใจปุ๊บก็ไปพูดสร้างบัญีกรรมให้คนอื่นเขาคุยแควด้วยเนี่ยสร้างกรรมใหม่ละนะสิ่งที่ทำได้คือหยุดสร้างกรรมเพราะกรรมเป็นทายาทและสิ่งที่ควรทำก็คือทำดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสมันเป็นทางพ้นทุกข์ นะบางคนทำดีก็ทำดีอยู่แต่ไม่ละชั่วหลวงพ่อชาบอกมันจะไปไหนทำดีแต่ไม่ละชั่วมันจะไปไหนบางคนละชั่วนั่งเหมือนก้อนหินนะผู้ทรงศีลอันนี้ฉันก็ไม่ทานี่ไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรเลยนะแต่ไม่ยอมทำดีมันจะเกิดบรารมีได้ยังไงถึงจะทำดีละชั่ว แต่ปฏิเสธหนี้เก่าเฮ้ยทุกอย่างเป็นสมมุติหนี้ก็สมมุติทำไมสมมตินะไปเป็นหนี้ธนาคารเราพูดนั้นนั่นคือเพอเจอร์ไปฝันเอาเขายอมไหมต้องขัดเกลาวจิตให้ผ่องใสด้วยต้องสามอย่างนะเนี่ยทำดีละชั่วขัดเกลาวจิตให้ผ่องใสใไอคนที่มีแต่ความอยากได้นะ่ะพอได้ก็ดีใจพอไม่ได้ก็น้อยใจเสียใจมิตกิเลสทั้งนั้นนะก็วันนี้ ปูไปเจอคำพูดอะไรที่เรียบง่ายสวยงามก็ามาแบ่งปันฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องผ่านไปอย่าไปคิดเพิ่มเติมนะอย่าไปคิดเพิ่มเติมตอนนี้สมองเราไม่เข้าใจหรอกแต่พ่อกูอัดเข้าไปในจิตเราเรียบร้อยละแล้วสักวันหนึ่งมันจะผุดขึ้นมานะก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาล